รับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในวิหารหลังโนนมีภิกษุเป็นไข้หรือพวกภิกษุกราบทูนว่ามีพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธออาพาธเป็นโรคอะไร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 จึงไม่คอยพยาบาลเธอพวกภิกษุกราบทูลว่าเพราะเธอไม่ได้ทําอุปการะแก่ภิกษุกทั้งหลายดังนั้นพวกภิกษุกจึงไม่คอยพยาบาลเธอพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุกทั้งหลายพวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดาผู้คอยพยาบาล